จึงนั่งณที่สมควรได้ทูล ถ, ถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคโโดมอสัพปุรุตจะพึงรู้จักอสัปปุรุตได้หรือว่าบุคคลนี้เป็นอสัพปุรุตพระผู้มีพระภาคตรตัส ต, ตอบว่าพราหมณ์ข้อที่อสัปปุรุตจะพึงรู้จักอสัปปุรุตว่าบุคคลนี้เป็นอสัปปุรุตเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้วสกาพราหมณ์ได้ทูลถามว่า ข้าแต่ท่านพระโคดมอสัปุรุตจะพึงรู้จักสัปุรุตได้หรือว่าบุคคลนี้เป็นสัปุรุตพรามแม้ข้อที่อสัปุรุตจะพึงรู้จักสัปุรุตว่าบุคคลนี้เป็นสัปุรุตก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ข้าแต่ท่านพระโคดมสัปุรุตพึงรู้จักสัปุรุษได้หรือว่าบุคคลนี้เป็นสัปุรุตพรามข้อที่สัปุรุษ เพิงรู้จักสัตบุรตษว่าบุคคลนี้เป็นสัตบุุษเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ข้าแต่ท่านพระโคดมสัตบุรุษพึงรู้จักอสัตบุุษได้หรือว่าบุคคลนี้เป็นอสัตบุุษพรามแม้ข้อที่สัตบุุษจะพึงรู้จักอสัตบุรตษว่าบุคคลนี้เป็นอสัตบุตรก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้วสการพรามกราบทูลว <Seal S 1> ่าข <nelle LLC>, ้าแต่ท่านพระโคดม นาอัศจรรจริงไม่เคยปรากฏท่านพระโคดมตรัสเรื่องนี้ไว้ดียิ่งนักว่าข้อที่อสัตบุรุษจะพึงรู้จักอสัตบุรุษว่าบุคคลนี้เป็นอสัตบุรุษเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แม้ข้อที่อสัตบุรุษจะพึงรู้จักสัตบุรุษว่าบุคคลนี้เป็นสัตบุรุษเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ข้อที่สัตบุรุษจะพึงรู้จักสัตบุรุษว่าบุคคลนี้เป็นสัตบุรุษ ก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้แม้ข้อที่สัตบุรุษจะพึงรู้จักอสัตบุรุษว่าบุคคลนี้เป็นอสัตบุรุษก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ข้าแต่ท่านพระโคโดมสมัยหนึ่งในบริษัทของโตเทยพรามพวกบริษัทกล่าวติเตียนผู้อื่นว่าพระเจ้าเอเลยะนี้ผู้เลื่อมใส ย, ยิ่งนักในสมณรามบุตรทรงเป็นผู้โง่เขลา และทรงทำความเคารพอย่างยิ่งเห็นปานนี้คือทรงไหว้ทรงลุกรับทรงทำอัญชิีกรรมและสามีกรรมในสมณรามบุตรแม้พวกข้าราชบริพารของพระเจ้าเอเลยะนี้คือยะมะกะโมคละอุคะนาวินากีคันทัพพระและอคิเวสนะผู้เลื่อมใส ย, ยิ่งนักในสมณรามบุตรเป็นผู้โง่เขลา ทำความเคารพอย่างยิ่งเห็นปานนี้คือไหว้ลุกรับทำอัญชลีกรรมและสามีจิกรรมในสมณารามบุตรส่วนโตเทยยะพราหมณ์แนะนำบริษัทเหล่านั้นโดยในนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นว่ายอย่างไรพระเจ้าเอเลยะเป็นบัณฑิตทรงสามารถพิจารณาเห็นประโยชน์ยิ่งกว่าผู้สามารถพิจารณาเห็นประโยชน์อย่างยิ่งในกิจที่ควรทำ และที่ควรทําอันยิ่งในคําที่ควรกล่าวและที่ควรกล่าวอันยิ่งผู้บริวารรับว่าเป็นอย่างนั้นท่านผู้เจริญพระเจ้าเอเลยะเป็นบัณฑิตทรงสามารถพิจารณาเห็นประโยชน์ยิ่งกว่าผู้สามารถพิจารณาเห็นประโยชน์อย่างยิ่งในกิจที่ควรทําและที่ควรทําอันยิ่งในคําที่ควรกล่าวและที่ควรกล่าวอันยิ่งโตเทยยพรามกล่าวต่อไปว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลายเพราะสมณรามบุตรเป็นผู้ฉลา ก, กว่าพระเจ้าเอเลยะเป็นผู้สามารถพิจารณาเห็นประโยชน์ยิ่งกว่าฉะนั้นพระเจ้าเอเลยะจึงเลื่อมใส ย, ยิ่งนักในสมณรามบุตรและทรงทําความเคารพอย่างยิ่งเห็นปานนี้คือทรงไหว้ทรงลุกรับทรงทําอัญชลีกรรมและสามีจิกรรมในสมณรามบุตร ท่านผู้เจริญทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรผู้ข้าราชบริพารของพระเจ้าเอเลยะคือยมกะโมละอุคะนาวินากีคันท พ, พะอคิเวสณนะเป็นบัณฑิตสามารถพิจารณาเห็นประโยชน์ยิ่งกว่าผู้สามารถพิจารณาเห็นประโยชน์อย่างยิ่งในกิจที่ควรทำและควรทำอันยิ่งในคำที่ควรกล่าวและที่ควรกล่าวอันยิ่ง พวกบริวารรับว่าเป็นอย่างนั้นท่านผู้เจริญผู้ข้าราชบริพารของพระเจ้าเอเลยะคือยมกะโมละอุคะนาวินากีคันท พ, พะอคิเวชนะเป็นบัณฑิตสามารถพิจารณาเห็นประโยชน์ยิ่งกว่าผู้สามารถพิจารณาเห็นประโยชน์อย่างยิ่งในกิจที่ควรทาและที่ควรทำอันยิ่งในคาที่ควรกล่าวและที่ควรกล่าวอันยิ่ง โตเทยพรามกล่าวต่อไปว่าเพราะสมณรามบุตรเป็นบัณฑิตยิ่งกว่าผู้ข้าราชบริพารผู้เป็นบัณฑิตของพระเจ้าเอเลยะเป็นผู้สามารถพิจารณาเห็นประโยชน์ยิ่งกว่าผู้สามารถพิจารณาเห็นประโยชน์อย่างยิ่งในกิจที่ควรทําและที่ควรทําอันยิง่งในคําที่ควรกล่าวและที่ควรกล่าวอันยิง่งฉะนั้นผู้ข้าราชบริพารของพระเจ้าเอเลยะจึงเลื่อมใส ย, ยิ่งนักในสมณรามบุตร และทำความเคารพอย่างยิ่งเห็นปานนี้คือไหว้ลุกรับทำอัญฉชลีกรรมและสามีจิกรรมในสมณารามบุตรข้าแต่ท่านพระโคโดมหน่าอาจจัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏท่านพระโคโดมตรัสเรื่องนี้ไว้ดียิ่งนักว่าข้อที่อาศะปุรุตจะพึงรู้จักอาศะปุรุตว่าบุคคลนี้เป็นอาศะปุรุษเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แม้ข้อที่อาศะปุรุษ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 เพราะมีกิจมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากพระผู้มีพระภาคตรัสว่าขอท่านจงกาหนดเวลาที่สมควรนะ่บัดนี้เถิดพราหมณ์ครั้งนั้นแหละวสการพราหมณ์ผู้เป็นมหาอมาตแห่งแคว้นมคธชื่นชมยินดีพระพาสิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากที่นั่งจากไปวสการสูตรที่เจ็จบ ปะกาสูตรว่าด้วยอุปะกามัณทิกาบุตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิจกูฏเคกรุงราชฤกษ์ครั้งนั้นแหลอุปะกามันทิกาบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วจึงนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพเจ้ามีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าผู้ใดผู้หนึ่งกล่าวติเตียนผู้อื่นเมื่อกล่าวติเตียนผู้อื่นย่อมไม่ให้คุศลกรรมเกิดขึ้นโดยประการทั้งปวงเมื่อไม่ให้คุศลกรรมเกิดขึ้นโดยประการทั้งปวงย่อมถูกติเตียนกล่าวโทษพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุปกะถ้าบุคคลกล่าวติเตียนผู้อื่นเมื่อเขากล่าวติเตียนผู้อื่น ย่อมไม่ให้ครูศรกรรมเกิดขึ้นเมื่อไม่ให้ครูศรัทธเกิดขึ้นย่อมถูกติเตียนกล่าวโทษท่านนั่นและกล่าวติเตียนผู้อื่นเมื่อท่านกล่าวติเตียนผู้อื่นย่อมไม่ให้กรศรัทธาเกิดขึ้นเมื่อไม่ให้ครูศรกรรมเกิดขึ้นย่อมถูกติเตียนกล่าวโทษอุปการมรรกาบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บุคคลพึงจับปลาที่พอผุดขึ้นเท่านั้นด้วยแหใหญ่แม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันพอกล่าวขึ้นเท่านั้นพระผู้มีพระภาคก็ทรงจับด้วยบ่วงคือวาทะอันใหญ่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุปกะเราบัญญัติไว้ว่านี้เป็นอกุศลบทพยัญชนะและธรรมเทศนาของตถาคตในข้อนั้นประมาณมิได้ว่า นี in sun, ้เป็นอกุศลแม้เพราะเหตุนี้อนหนึ่งเราบัญญัติไว้ว่าอกุศลนี้นั่นแลควรละเสียบทพยัญชนะและธรรมเทศนาของตถาคตในข้อนั้นประมาณมิได้ว่าอกุศลนี้ควรละเสียแม้เพราะเหตุนี้อันหนึ่งเราบัญญัติไว้ว่านี้เป็นกุศลบทพยัญชนะและธรรมเทศนาของตถาคตในข้อนั้นประมาณมิได้ว่า นี้เป็นกุศลแม้เพราะเหตุนี้อันหนึ่งเราบัญญัติไว้ว่ากุศลนี้นั่นแลควรเจริญบทพยัญชนะและธรรมเทศนาของตถาคตในข้อนั้นประมาณมิได้ว่ากุศลนี้ควรเจริญแม้เพราะเหตุนี้ลำดับนั้นแหละอุปกะมันทิกาบุตรชื่นชมยินดีพระภาสิก ข, ของพระผู้มีประภาคลุกจากที่นั่งถวายอภิวาททำประทักษิณแล้ว เขไปเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินมคตพระนามว่าอาชาติสตรูเวเทหิบุตรได้กราบทูลการสนทนากับพระผู้มีพระภาคทั้งหมดแด่พระเจ้าแผ่นดินมคตพระนามว่าอาชาติสตรูเวเทหิบุตรครั้นเมื่ออุปกระมันทิกาบุตรกราบทูลอย่างนี้แล้วพระเจ้าแผ่นดินมคตพระนามว่าอาชาติสตรูเวเทหิบุตรกลิ้วไม่ทรงพอพระทัยได้ตรัสกับอุปกระมันธิกาบุตรว่า เจ้าเด็กลูกชาวนาเกลือนี้อวดดีปากกล้าบังอาจจากสำคัญพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่าควรรุกรานเจ้าอุปกะจงไปเสียจงพินาศไปอย่ามาให้เราเห็นหน้าอีกอุปกะสูตรที่8จบ สัจฉิกรณียสูตรว่าด้วยทำที่ควรทําให้แจ้งภิกษุทั้งหลายทำที่ควรทําให้แจ้งสีประการนี้ทำที่ควรทําให้แจ้งสีประการอะไรบ้างคือ 1. นึ่งที่ควรทําให้แจ้งด้วยกาย 2. องทำที่ควรทําให้แจ้งด้วยสติ 3. ามทำที่ควรทําให้แจ้งด้วยจักสุ 4. ี่ทำที่ควรทําให้แจ้งด้วยปัญญา ทำที่ควรทำให้แจ้งด้วยกายเป็นอย่างไรคือวิโมกข์ปดควรทำให้แจ้งด้วยกายทำที่ควรทำให้แจ้งด้วยสติเป็นอย่างไรคือปุเพนิวาสควรทำให้แจ้งด้วยสติทำที่ควรทำให้แจ้งด้วยจักสุเป็นอย่างไรคือการจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายควรทำให้แจ้งด้วยจักสุทำที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาเป็นอย่างไรคือความสิ้นอาสวะทั้งหลาย ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายทำที่ควรทำให้แจ้งสี่ประการนี้แลซาชิกรณียสูตรที่เกจบ 10. อุปอสถสูตรว่าด้วย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 บริษัทนี้เงียบปราศจากเสียงสนทนาบริสุทธ์ตั้งอยู่ในสาระภิกษุสงฆ์นี้บริษัทนี้เป็นเหมือนบริษัทหาได้ยากแม้เพื่อจะเห็นในโลกภิกษุสงฆ์นี้บริษัทนี้ก็เป็นเหมือนบริษัทผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักสีนาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบนอันยอดเยี่ยมของโลกภิกษุสงฆ์นี้บริษัทนี้ ก็เป็นเหมือนบริษัทที่เขาถวายของน้อยก็มีผลมากที่เขาถวายของมากก็มีผลมากยิ่งขึ้นภิกษุสงฆ์นี้บริษัทนี้ก็เหมือนบริษัทที่แม้จะต้องเดินทางไปดูเป็นระยะทางหลายโยต์ต้องมีสเสบียงทางไปด้วยก็ควรไปภิกษุทั้งหลายภิกษุสงฆ์นี้เห็นปานนี้คือในภิกษุสงฆ์นี้ 1. ่งมีภิกษุทั้งหลายพูดถึงความเป็นเทวดาอยู่ สมีภิกษุทั้งหลายพูดถึงความเป็นพรหมอยู่ 3. มีภิกษุทั้งหลายพูดถึงความเป็นอนเนญชาอยู่ 4. มีภิกษุทั้งหลายพูดถึงความเป็นอริยะอยู่ภิกษุทั้งหลายพูดถึงความเป็นเทวดาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานละถึงอยู่ เพราะวิตกวิจารสงบรงงะงับไปภิษุบรรลุทุติยฌานอยู่เพราะปิติจางคลายไปพิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุด้ดยนามกายบรรลุตติยฌานอยู่เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วพิกษุบรรลุจะทุติฌานอยู่พิกษุทั้งหลายพูดถึงความเป็นเทวดาเป็นอย่างนี้แหล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 มีมุทิตาจิตมีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สาทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมูเหล่าในที่ทุกสถานโดยอุเบกขาจิตอันไพบู์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ภิกษุทั้งหลายพูดถึงความเป็นพรหมเป็นอย่างนี้แล ภิกษุทั้งหลายพูดถึงความเป็นอเนญชาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะร่วงรูปสัญญาเพราะดับปฏิฆาสัญญาเพราะไม่มนัสการนาณาตสัญญาโดยประการทั้งปวงบรรลุอากาศสานัญจายตนะฌานโดยกําหนดว่าอากาศหาที่สุขมิได้เพราะร่วงอากาศสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณนัญจายตนะฌานโดยกําหนดว่า วิญญาหางที่สุดมิได้เพราะล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญาญตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรเพราะล่วงอากินจัญญาญตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญ ญ, ญายตนะฌานอยู่ภิกษุทั้งหลายพูดถึงความเป็นอเนญชาเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายพูดถึงความเป็นอริยะเป็นอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขและถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาภิกษุทั้งหลายพูดถึงความเป็นอริยะเป็นอย่างนี้แหละอุโปโสถสูตรที่ส0บจบโยธาชีววั์ที่สจบรวมพระสูตรที่มีนวั์นี้คือหนึ่งโยธาชีวสูตรสอง ปาติโพคสูตรสามสุตตะสูตรสีร่ 4. อภยะสูตรห้าสมณสัจจสูตรหกอุมามัคคสูตรเจ็ดวัสการสูตรแปดอุปกะสูตรเก้าสัชิครณียสูตรสิบอุปสถตสูตร ว่าด้วยเรื่องใหญ่หนึ่งโสตานุขตะสูตรว่าด้วยธรรมที่เข้าถึงโสตะประสาทพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอ น, นิสงส์สีประการแห่งธรรมทั้งหลายที่เข้าถึงโสตะประสาทคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิอันบุคคลพึงหวังได้ออ น, นิสงส์สีประการอะไรบ้างคือหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเล่าเรียนธรรมคือสุตตะเคยยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตรธรรมเวทันละธรรมเหล่านั้นของภิกษุนั้นเป็นภาวะเข้าถึงโสตประสาทคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิเธอหลงลืมสติเมื่อตายไปจะไปเกิดในหมู่เทพหมู่ใดหมู่หนึ่ง บทแห่งธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏแก่เธอผู้มีความสุขในภพนั้นสติเกิดขึ้นช้าต่อมาเธอระลึกได้จึงบรรลุคุณวิเศษเร็วพลันภิกษุทั้งหลายนี้เป็นอนิสงส์ประการที่หนึ่งแห่งธรรมทั้งหลายที่เข้าถึงโสตประสาทคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิอันบุคคลพึงหวังได้ 2. ภิกษุย่อมเล่าเรียนธรรมคือสุตตะเคยะวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทันละธรรมเหล่านั้นของภิกษุนั้นเป็นภาวะเข้าถึงโสตประสาศาคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฐิเธอหลงลืมสติเมื่อตายไปจะไปเกิดในหมู่เทพหมู่ใดหมู่หนึ่ง บทแห่งธรรมทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏแก่เธอผู้มีความสุขอยู่ในภพนั้นเลยแต่ภิกษุผู้มีฤทธิ์ถึงความชำนาญทางจิตแสดงธรรมแก่หมู่เทพเธอมีความคิดอย่างนี้ว่านี้คือธรรมวินัยที่เราเคยประพฤติพรหมจรรย์สติเกิดขึ้นช้าต่อมาเธอระลึกได้จึงบรรลุคุณวิเศษเร็วพลันภิกษุย่อมเล่าเรียนธรรมละถึง จึงบรรลุคุณวิเศษเร็วพลันเปรียบเหมือนบุรุษผู้ฉลาดในเสียงกลองเขาเดินทางไกลพึงได้ยินเสียงกลองเขาไม่พึงมีความสงสัยหรือเคลือบแคลงว่าใช่เสียงกลองหรือไม่หนอที่แท้เขาพึงถึงความตกลงใจว่าเป็นเสียงกลองแน่นอนฉะนั้นภิกษุทั้งหลายนี้เป็นอนิสงส์ประการที่สองแห่งธรรมทั้งหลายที่เข้าถึงโสตประสาท คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฐิอันบุคคลพึงหวังได้สามภิกษุย่อมเล่าเรียนธรรมคือสุตตะเคลยะวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอาภูตธรรมเวทันละรรมเหล่านั้นของภิกษุนั้นเป็นภาวะเข้าถึงโสตประสาทคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฐิ ท, ทือหลงลืมสติ เมื่อตายไปจะไปเกิดในหมู่เทพหมู่ใดหมู่หนึ่งบทแห่งธรรมทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏแก่เธอผู้มีความสุขอยู่ในภพนั้นเลยทั้งภิกษุผู้มีฤทธิ์ถึงความชํานาญทางจิตก็ไม่ได้แสดงธรรมแก่หมู่เทพแต่เทพบุะบุแสดงธรรมในหมู่เทพเธอมีความคิดอย่างนี้ว่านี้คือธรรมวินัยที่เราเคยประพฤติพรหมจรรย์สติเกิดขึ้นช้าต่อมาเธอเระลึกได้ จึงบรรลุคุณวิเศษเร็วพลันภิกษุย่อมเล่าเรียน ร, รมละถึงจึงบรรลุคุณวิเศษเร็วพลันเปรียบเหมือนบุรุษผู้ชลาต่อเสียงสังเขาเดินทางไกลพึงได้ยินเสียงสังเขาไม่พึงมีความสงสัยหรือเคลือบแพลงว่าใช่เสียงสังหรือไม่หนอที่แท้เขาพึงถึงความตกลงใจว่าเป็นเสียงสังแน่นอนฉะนั้นภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นอนิสงส์ประการที่สามแห่งธรรมทั้งหลายที่เข้าถึงโสตประสาทคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิอันบุคคลพึงหวังได้ 4. ภิกษุย่อมเล่าเรียนธรรมคือสุตตะเคยะเวยากรณนะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตะกะอภูตรธรรมเวทันละธรรมเหล่านั้นของภิกษุนั้นเป็นภาวะเข้าถึงโสตประสาท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 เตือนเทพบุตรผู้เป็นโอปปาติกะว่าท่านผู้นิรทุกข์ท่านระลึกถึงธรรมวินัยที่พวกเราเคยประพฤติพรหมจรรย์มาได้ไหมเธอกล่าวอย่างนี้ว่าระลึกได้ระลึกได้ท่านผู้นิรทุกข์สติเกิดขึ้นช้าต่อมาเธอระลึกได้จึงบรรลุคุณวิเศษเร็วพลันภิกษุย่อมเล่าเรียนธรรมละถึงจึงบรรลุคุณวิเศษเร็วพลัน เปรียบเหมือนสหายสองคนผู้เคยเล่นฝุน่นด้วยกันมาพบกันบางครั้งบางคราวในที่บางแห่งคนหนึ่งพึ่งกล่าวกับอีกคนหนึ่งอย่างนี้ว่าสหายท่านระลึกถึงกรรมนี้ได้บ้างไหมเขาจึงกล่าวอย่างนี้ว่าระลึกได้ระลึกได้ไดสหายฉะนั้นภิกษุทั้งหลายนี้เป็นอนิสงฆ์ประการที่สี่แห่งธรรมทั้งหลายที่เข้าถึงโสตประสาทคล่องปากขึ้นใจ แทงตลอดดีด้วยทิฐิอันบุคคลพึงหวังได้ภิกษุทั้งหลายอานิสงส์ี่ประการนี้แห่งธรรมทั้งหลายที่เข้าถึงโสตประสาทคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฐิอันบุคคลพึงหวังได้โสตานุขตะสูตที่หนึ่งจบ 2. ฐานะสูตรว่าด้วยฐานะที่พึงรู้ด้วยฐานะภิกษุทั้งหลายฐานะสี่ประการนี้อันบุคคลพึงรู้ได้ด้วยฐานะสี่ประการฐานะสีประการอะไรบ้างคือ 1. ศี่ีพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันและสีนั้นแหละพึงรู้ได้โดยใช้เวลานานไม่ใช่นิดหน่อยผู้มนสิ ก, การจึงรู้ได้ ผู้ไม่มนัสิการหารู้ได้ไหมผู้มีปัญญาจึงรู้ได้ผู้มีปัญญาสามหารู้ได้ไหมสอความบริสุทธิ์พึงรู้ได้ด้วยถ้อยคำและความบริสุทธิ์นั้นแหละพึงรู้ได้โดยใช้เวลานานไม่ใช่นิดหน่อยผู้มนัสิการจึงรู้ได้ผู้ไม่มนัสิการหารู้ได้ไหมผู้มีปัญญาจึงรู้ได้ผู้มีปัญญาสามหารู้ได้ไหม 3. กำลังพึงรู้ได้ในคราวมีอันตรายและกำลังนั้นแหละพึงรู้ได้โดยใช้เวลานานไม่ใช่นิดหน่อยผู้มนัสการจึงรู้ได้ผู้ไม่มนัสการหารู้ได้ไม่ผู้มีปัญญาจึงรู้ได้ผู้มีปัญญาสามหารู้ได้ไม่ปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสนทนาและปัญญานั้นแหละพึงรู้ได้โดยใช้เวลานานไม่ใช่นิดหน่อย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 ผู้มีปัญญาสามหารู้ได้ไม่เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือบุคคลในโลกนี้เมื่ออยู่ร่วมกันจึงรู้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้มีปกติทําให้ขาดทําให้ทะลุทําให้ด่างทําให้พร้อยไม่ทําต่อเนื่องไม่ประพฤติต่อเนื่องในศีลทั้งหลายตลอดกาลนานแลท่านผู้นี้เป็นผู้ทุศีลไม่ใช่เป็นผู้มีศีลอันหนึ่ง บุคคลในโลกนี้เมื่ออยู่ร่วมกันจึงรู้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้มีปกติไม่ทําให้ขาดไม่ทําให้ทะลุไม่ทําให้ด่างไม่ทําให้พร้อยมีปกติทําต่อเนื่องประพฤติต่อเนื่องในศีลทั้งหลายตลอดกาลนานแลท่านผู้นี้เป็นผู้มีศีลไม่ใช่เป็นผู้ทุศีลข้อที่เรากล่าวว่าศีลพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกัน และศีนั้นแหละพึง ร, รู้ได้โดยใช้เวลานานไม่ใช่นิดหน่อยผู้มนสศิการจึงรู้ได้ผู้ไม่มนสศิการหารู้ได้ไหมผู้มีปัญญาจึงรู้ได้ผู้มีปัญญาสามหารู้ได้ไหมเรากล่าวเพราะอาศัยเหตุนี้เรากล่าวไว้เช่นนี้แล้วว่าความบริสุทธิ์พึง ร, รู้ได้ด้วยถ้อยคำและความบริสุทธิ์นั้นแหละพึง ร, รู้ได้โดยใช้เวลานานไม่ใช่นิดหน่อย ผู้มนัสิการจึงรู้ได้ผู้ไม่มนัสิการหารู้ได้ไหมผู้มีปัญญาจึงรู้ได้ผู้มีปัญญาสามหารู้ได้ไหมเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกลายไว้เช่นนั้นคือบุคคลในโลกนี้เมื่อสนทนากันจึงรู้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้พูดกันตัวต่อตัวเป็นอย่างหนึ่งพูดกับคนสองคนเป็นอย่างหนึ่งพูดกับคนสามคนเป็นอย่างหนึ่ง พูดกับคนหลายคนเป็นอย่างหนึ่งท่านผู้นี้พูดคราวหลังต่างไปจากพูดคราวก่อนท่านผู้นี้มีถ้อยคำไม่บริสุทธิ์หามีถ้อยคำบริสุทธิ์ไม่อันหนึ่งบุคคลในโลกนี้เมื่อสนทนากันจึงรู้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้พูดกันตัวต่อตัวเป็นอย่างไรพูดกับคนสองคนสามคนหลายคนก็อย่างนั้น ท่านผู้นี้พูดคราวหลังก็ไม่ต่างจากพูดคราวก่อนท่านผู้นี้มีถ้อยคำบริสุทธิ์หามีถ้อยคาไม่บริสุทธิ์ไม่ข้อที่เรากล่าวว่าความบริสุทธิ์พึงรู้ได้ด้วยถ้อยคำและความบริสุทธิ์นั้นแหละพึงรู้ได้โดยใช้เวลานานไม่ใช่นิดหน่อยผู้มนาสิการจึงรู้ได้ผู้ไม่มนาสิกาหารู้ได้ไม่ผู้มีปัญญาจึงรู้ได้ ผู้มีปัญญาสามหารู้ได้ไหมเรากล่าวเพราะอาศัยเหตุนี้เรากล่าวเช่นนี้แล้วว่ากาลังพึงรู้ได้ในคราวมีอันตรายและกำลังนั้นแหละพึงรู้ได้โดยใช้เวลานานไม่ใช่นิดหน่อยผู้มนัสิการจึงรู้ได้ผู้ไม่มนัสิการหารู้ไดไหมผู้มีปัญญาจึงรู้ได้ผู้มีปัญญาสามหารู้ไดไหมเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้น คือบุคคลบางคนในโลกนี้ประสบความเสื่อมญาติความเสื่อมโภคทรัพย์หรือความเสื่อมเพราะโรคย่อมไม่พิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าโลกสันนิวาตนี้เป็นอย่างนี้เองการได้อัตภาพนี้เป็นอย่างนั้นในโลกสันนิวาตตามความเป็นจริงในการได้อัตภาพตามความเป็นจริงโลกธรรม8คือหนึ่งได้ลาบสองเสื่อมลาบสามได้ยศสเสื่อมยศ 5. นินทา 6. สันเสริญ 7. สุข 8. ทุกหมุนเวียนไปตามโลกและโลกก็หมุนเวียนไปตามโลกธรรม8บุคคลนั้นประสบความเสื่อมญาตความเสื่อมโภคทรัพย์หรือความเสือ่อมเพราะโรคย่อมเศร้าโศกลำบากใจร่รไรทุกอกคร่ำครวถึงความเลอะเลือนส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ประสบความเสื่อมญาตความเสื่อมโภคทรัพย์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 และโลกก็หมุนเวียนไปตามโลกธรรมแปดบุคคลนั้นประสบความเสื่อมยากความเสื่อมโภคทรัพย์หรือความเสื่อมเพราะโรคย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากใจไม่ร่ำไรไม่ทุอกโอกคร่ำครวนไม่ถึงความเ ล, เลือนเลื้อที่เรากล่าวว่ากำลังพึงรู้ได้ในคราวมีอันตรายและกำลังนั้นแหละพึงรู้ได้โดยใช้เวลานานไม่ใช่นิดหน่อย ผู้มนุษการจึงรู้ได้ผู้ไม่มนุษการหารู้ได้ไหมผู้มีปัญญาจึงรู้ได้ผู้มีปัญญาซามหารู้ได้ไหมเรากล่าวเพราะอาศัยเหตุนี้เรากล่าวไว้เช่นนี้แล้วว่าปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสนทนาและปัญญานั้นแหลพึงรู้ได้โดยใช้เวลานานไม่ใช่นิดหน่อยผู้มนุิยการจึงรู้ได้ผู้ไม่มนุษการหารู้ได้ไหม ผู้มีปัญญาจึงรู้ได้ผู้มีปัญญาสามหารู้ได้ไหมเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไวเช่นนั้นคือบุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อสนทนากันจึงรู้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้มีการแสวงหาปัญหาอย่างไรเตรียมปัญหาอย่างไรและถามปัญหาอย่างไรท่านผู้นี้มีปัญญาสามไม่ใช่มีปัญญาข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะท่านผู้นี้ไม่แอ n งบทที่มีความหมายลึกซึ้งสงบประณีที่สามัญชนคาดไม่ถึงละเอียดอันบรรัณฑิตพึงรู้ได้ท่านผู้นี้กล่าวทำอันใดก็ไม่สามารถจะบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายซึ่งเนื้อความแห่งธรรมนั้นทั้งโดยย่อรหรือโดยพิดารท่านผู้นี้มีปัญญาสามไม่ใช่มีปัญญา บุคคลเมื่อสนทนากันจึงรู้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้มีการสแสวงหาปัญหาอย่างไรละถึงท่านผู้นี้มีปัญญาสามไม่ใช่มีปัญญาเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีตาดียืนอยู่ริมฝั่งห่วงน้ําพึงเห็นปลาตัวเล็กๆผุดอยู่เขาพึงทราบอย่างนี้ว่าปลาตัวนี้มีกริยาผุดเป็นอย่างไรทําให้เกิดคลื่นเพียงไหนและมีความเร็วเพียงไร ปลาตัวนี้มีกริยาผุดเป็นอย่างไรทำให้เกิดคลื่นเพียงไหนและมีความเร็วเพียงไรปลานี้ตัวเล็กไม่ใช่ตัวใหญ่เช่นนั้นส่วนบุคคลในโลกนี้เมื่อสนทนากันจึงรู้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้มีการสแสวงหาปัญหาอย่างไรเตรียมปัญหาอย่างไรและถามปัญหาอย่างไรท่านผู้นี้มีปัญญาไม่ใช่มีปัญญาสามข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะท่านผู้นี้อ้างบทที่มีความหมายลึกซึง้งสงบปราณีตสามัญชนคาดไม่ถึงละเอียดบันดิตพึงรู้ได้และท่านผู้นี้กล่าวทำใดก็สามารถที่จะบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายซึ่งเนื้อความแห่งธรรมนั้นทั้งโดยย่อรหรือโดยพิสดารท่านผู้นี้มีปัญญาไม่ใช่มีปัญญาสาม บุคคลเมื่อสนทนากันจึงรู้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้แสวงหาปัญหาอย่างไรละถึงท่านผู้นี้มีปัญญาไม่ใช่มีปัญญาสามเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีตาดียืนอยู่ริมฝั่งห้วงน้ำพึงเห็นปลาตัวใหญ่ผุดอยู่เขาพึงทราบอย่างนี้ว่าปลาตัวนี้มีกริยาผุดเป็นอย่างไรทำให้เกิดคลื่นเพียงไหนและมีความเร็วเพียงไร ปลานี้ตัวใหญ่ไม่ใช่ตัวเล็กฉะนั้นข้อที่เรากล่าวว่าปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสนทนาและปัญญานั้นแหละพึงรู้ได้โดยใช้เวลานานไม่ใช่นิดหน่อยผู้มานัส ก, การจึงรู้ได้ผู้ไม่มานัส ก, การหารู้ได้ไม่ผู้มีปัญญาจึงรู้ได้ผู้มีปัญญาสามหารู้ได้ไม่เรากล่าวเพราะอาศัยเหตุนี้ภิกษุทั้งหลาย ฐานะสี่ประการนี้แหลอันบุคคลพึงรู้ได้ด้วยฐานะสีประการนี้ฐานะสูตรที่สองจบ